แนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอ l งลิ z o n นพร้อมให้บริการทุกวันนาคารเวลา12ดสนกถึง13บรนิกาที่ชั้นสาสำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 5ย์สองห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 ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย uh ์ด็อเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะนวตัต ก, กรรมเพื่อชีวิตนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับเครื่องอัดกระชงใบตองนะคะ ซ uhm. ึ่งเป็นผลงานของอาจารย์นงลักษ์เล็กรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอีกสักค mm. รู่หนึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องอัดกระทงใบตองกันค่ะ RMTT u Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 เรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปีจี่ิงถ้วยนายก ร, รัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาทสมัครแม่แล้ววันนี้ถึง13าธันวาคม 2,562 สอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook f a n p a g Good k i s Out หรือโทรศู6ย์สอ7 7 แล้วพบกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการ Innovation for Life Innovation for Life ในวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์รงรักเล็กกึ้งเดืองกิจค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจบ้างวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเครื่องอัดกระชงใบตองติดนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นอาจารย์ค่ะแล้วเครื่องอัดกระชงใบตองมีที่มาอย่างไรคะที่ทําให้อาจารย์ได้มีแนวคิดในการคิดคนเครื่องนี้ขึ้นมาค่ะอ๋อก็พอดีเมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้วอะค่ะได้มีได้ไปซื้อขนมครกที่ขายในมหาวิทยาลัยอะค่ะกอนตลาดยื่นๆนะคะแมค้าเขาแคร์ขนมครกจากเตาอ่ะแล้วก็ใส่ โอมให้เราแล้วแล้วเนื่องจากสอนด้านสิวอุลรอมน่นะคะด้วยคือคือจะจบเนี่ยทั้งวิชาวิศววิศวเกษตรแต่ว่าไปต่อทางด้านสิวอุลรอมด้วยเราก็ความมีความรู้อยู่บ้างว่าเอ๊ะโฟมนี่มันพอโดนความร้อนมันจะละลายเนาะแล้วมันก็มีสาร่ับมะเร็งด้วยอะคะ่ะแล้วก็เลยถามแม่ขาว่าเอ๊ะทาไมไม่ใช้ถ้วยกระทง ช่วยใบตองอ่ะที่เอามาเย็ดเมื่อก่อนแม่ค้าขายขนมครกมักจะใช้ตัวกระทงใบตองแม่ค้าขายขนมครกเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่สะดว เพราะว่าเขาจะต้องเตรียมเตรียมใบตองอะคะ่ะแล้วต้องมานั่งหาไม้กระชื่งปัจจุบันก็หายาแล้วก็พอเขาใช้แม็กซ์เนี่ยลูกแม็กซ์เนี่ยลูกค้าเขาก็บ่นว่าลูกแม็กซ์ไม่กอดภัยค่ะประมาณค่ะใช่เวลานึกออกแล้วคะ่ะเวลาเราไปซื้อขนมครกสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆ เ, เนี่ยมันจะมันนอกจาก อ, าอร่อยมันจะได้กลิ่นหอมของใบตองใช่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นแล้วเนาะอาจารย์น้อยแต่ว่าไม่ไม่คะเขาก็ไม่ยามจะตัดใบตองชิ้นเล็กๆเนาะปะไว้ทั้งหมด เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่มันไม่ไม่ทนนะคะก็คือว่ายัางไงตัวส่วนของของกกนมโคเกอร้อนเนี่ยก็ยังโดนคุ้ยโฟมอยู่ดีก็เลยคิดว่าอันนี้คนบริโภคที่ที่เนี่ยเราบริโภคอะไรก็รู้แล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยนึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเสี๋ยวเจ้วหรืออะไรก็ตามที่ร้อนๆนะคะแม้กระทั่งอาหารแห้งๆเองอะทอดมันๆเนี่ย ค, ะค่ ะ, คะ โ, ดโดนโดนโฟมเนี่ยก็คงละลายอะแล้วเราก็ทานไปเยอะเหมือนกันอะ แต่เราไม่เคยคิดอย่างใจเออมานั่งนึกว่าเ อ, อ๊ะทำยังไงจะช่วยแม่ค้าเขาให้มันสะดวกขึ้นไงคะ่ะก็เลยมามาพัฒนา เ, ออเริ่มพัฒนาโครงงานวิศวกรรมเกษตรคุยกันนิสิค่ะว่าช่วยช่วยพัฒนาเครื่องกันดี ก, กว่าโดยออวัตถุประสงค์คืออยากให้แม่ค้าหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจับต้องเครื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรานะคาต้องถูก แลค่เครื่องถูกใช้งานง่ายใช้เทคโนโลยีไม่สูงอันนี้ก็เป็นขวามตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นเราเครื่องเราผลิตมาเนี่ยต้องง่ายสุดค่ะก็ต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นในการแบบวันหนึ่งที่อาจารย์ไปคือขนมครกแล้วขนมครกที่มีภาชนะรองนั้นก็คือโฟมซึ่งเราก็ทราบกันดีอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีสารกราบร็งแล้วก็เป็นแอนต์สไล์แต่ก็ด้วยความที่วัตถุดิบบางๆงบางคนก็อย่างอย่างที่แม่ค้าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการยากหรือบางทีมันหา ใบตองไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์โฟมมันจะไดง่ายกว่าอะไรแบบนี้ราคาถูกแต่ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ก็เอาละค่อยๆเริ่มต้นนะนะคะและอาจารย์ก็ได้ไอเดียนี้มาเป็นเรียกว่าเครื่องอัดกระทงใบตองแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องที่ว่าเนี่ยค่ะมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคะอาจารย์แล้วก็มีกระบวนการแบบประดิษฐ์คิดค้นยังไงบ้างอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็พอเริ่มต้นนะค่ะเราก็เริ่มหาข้อมูลเนาะเพราะว่าในปกติการทําโครงกานพิจัยจำเนี่ยเราต้องต้องเรียกว่า รวบเอกสารแล้วก็ไปหาว่ามีใครใช้ทำบ้างเนี่ยค่ะซึ่งมีสิทก็ไปหาอาจารย์ก็ช่วยหาด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็มีทํามีทําบ้างนะคะมีแบบทางทางมีทางมาหาลัยทางใต้เลยนะคะก็จําชื่อไม่ได้แล้วแต่เขา<อ>เขาทำนะ<อ>เขาไม่ได้บอกะคะ่ะ<อ>ว่าเขาใช้อะไรอย่างไรนะคะแล้วก็คือก็เห็นเป็นโพลออกมาเลย<อ>แต่ว่าเขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยดีใช้เวลา น, านานมากแต่ละบใบประมาณห้านาทีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลย ลองผิดลองถูกกันเองเลยก็ก็เริ่มจากนิสิตเขาก็ผลิตผลิตเอาถ่วยมามาเ ห, หมือนมาซ้อนกันนะคะเอาใบไม้มาวางลงกลางแล้วก็ใช้อะไรอะเตาแก๊สในเตาอก๊สแบบนี้เพรฉะนั้นยุกแกรกคือเป็นเตาแก๊สข <c oughs> ั <c oughs> พบพกไปพกไปไหนก็เอาเตาแก๊สไปด้วย <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้พี่ถ้าเห็นทางยูทูบเนาวก็จะมีรางแห่งใช้ทั้งเตาแก๊สใช้ทั้งเตาถ่านเนาะฉะนั้นเราทําเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะ ก็ทำได้แต่ว่าเราต้องพกโซ่แก๊สไปด้วยไงคะ อ, ออพออายุหลังๆจะอะไรบอกมิสิตว่าเออไม่เว้นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าแต่วันนั้นพกโซ่แก๊สแล้วเข้าพกโแก๊สเปนกวนแท่งแก๊สเออมันก็มันก็แบบง่ายก็จริงนะแต่ว่ามันก็พกผายุ่งยากอยู่ะอะไรงเงี้ยก็ขอขอเลื่อนระดับเป็นใช้ไฟฟ้าเพดปลั๊กก็ใช้ได้เลยไงคะ่ะ ก็เลยต่อมาเป็นเครื่องเครื่องไม่ใหญ่อะค่ะขนาดประมาณสามสิบคูณสามสิบแล้วก็สูงเจ็ดสิบเซนค่ะโดยประมาณน้าหนักประมาณสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลก็ก็พอที่จะยกเอพาได้ค่ะใช้รถเก่งได้ที่อาจารย์บอกว่าแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยนี่มันมันมันเป็นยังไงคะอาจารย์ ก็คือกระบวนการในการเหมือนเช่อใช้ไฟฟ้าเลยค่ะเหมือนเหมือนเตาเขาเรียกอะไรนะหม้อหุงข้าวหรือเ้าไฟฟ้าดีกว่าเหมือนจะท้าไฟฟ้าหรือเตาเตาให้แม่เหล็กให้ความร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเสียบปลั๊กแล้วก็บุนเปิดหมุนตุ่มเปิดความร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ร้อนพอร้อนเราก็เอากระทงเอาไปตองที่เกลียยแล้วผสมอ่าไปไปตองสอสองใบซ้อนกันที่เกลียยแล้วนะคะเกลียมกลมแล้วเนี่ย เอาเข้าไปในเครื่องอะค่ะแล้วก็ดีด้วยความรอนประมาณเนี้ uh huh. ค่ะอาจารย์คะ คือกระบวนการการทํางานทานําางนของเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องเครื่อคล้ายๆคล้ายๆแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้ววิธีการทํางาน<ะ>ก็คือเอาใบตองใช่ไหมคะใบตองที่อาจารย์บอกว่าเชียนแล้วนี่คือต้องต้องเชียนแบบแบบขนาดไหนอะคะมันถึงจะฝาัมาทำรออกมาคือเราศึกษาเครื่องแรกของเราที่เราศึกษาเนี่ยตอนแรกเราก็จะทํำจานเนาะเพราะว่า<ะ>รูปแบบภาชนะส่วนใหญ่ที่เขานิยมคือรูปแบบจานหรือถาดสี่เหลี่ยมแต่เราขึ้นรู้แล้วมันมันไม่เวิร์กสาหรับ ตัวใบตองเพราะมันนิ่มอะค่ะเราก็เลยดูศึกษาดูจากดูแรกๆก็พบวัดขนาดทรงถ้วยเนี่ยจะเหมาะกับใบตองทีงนี้พอเราทําเป็นถ้วยอะคะ่ะเราก็เลยได้ถ้วยขนาดที่เขาเรียกเป็นทั่วไปที่มีฉายตำท้องตลาดคือสิบห้าเซนโดยจะถือแม่ทิ้งเยนะคะขนาดสิบห้าเซนเราก็เลยมาทิงขนาดยี่สิบเซนค่ะ เคลือนใบตองขนาดยี่สิบเซนนะคะแล้วก็พอที่จะเป็นยี่สิบเซนปุ๊บเนี่ยเราก็มาซ้อนกันสองใบทาแป้งผสมน้ำแป้งมันผสมน้ำกลางโดยที่ตรงนี้เราก็ประยุกอีกเพราะว่าตอนแรกเราต้องกวนแป้งเสียงเนาะโดยใช้แป้งมันผสมน้ากวนตั้งความร้อนแล้วก็กวนให้เหนียวใสพอใบยุกที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราลดขั้นตอนเลยโดยใช้ แป้งมันผสมน้าเลยแล้วก็ป้ายที่ตัวใบตอกเขียดก็คือเครื่องนี้มันก็จะอนอัตโนมัติเลยก็เสด็ออกมาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระทงสายของเป็นถ้วยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเป็นใบตอกใช่ค่ะเป็นโลงถ้วยใช่ค่ะใช่อาจารย์คะขอถามได้ไหมคะว่าไฮไลท์หรือความสําคัญที่ทําให้กระทงเขาเรียกว่าใบตอกมันขึ้นรูปได้แบบนี้คือคืออะไรอ่ะค่ะไฮไลท์คือจริงๆเราก็ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมนะคะก็คือใช้ตัวแป้งเป็นตัวประสานแต่ว่า แต่ว่าตัวใบตองเนี่ยพอโดนความร้อนมันจะเริ่มนิ่มใช่ไหมคะพอเอามาพักข้างนอกเป็นเย็นมันก็จะเซตตัวแข็งนะคะเอามาเป็นถ้วยได้ค่ะแต่ไฮไลท์ของเครื่องนี้ก็คือว่าเราเออคือเราต้องการมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องต้องการจะผลิตถ้วยใบตองสดเออครื่ อ, อ <c oughs> ถ้วยใบตองสดหน่อยค่ะว่าเป็นถ้วยที่ยังใบเขียวอยู่ะคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ความสดใหม่ พอพอบริโภคของสดใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วใบรองกล้วยเอจริงๆก็มีวิตามินเอเนาะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็แล้วก็มีความหอมเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> การที่เราได้ได้สัมผัสคือรสเขาเรียก อ, อะไรให้ได้ทั้งกลิ่นเนาะได้ทั้งสีแล้วก็ เ, <Okay. S 1> เรื่องสีวัลล้อมด้วยนะคะเรื่องของสดใหม่อะไ ร, ะ mm. รพวกเนี้ยค่ะวริโภคพอดีอะค่ะเรื่องสีวัลล้อมคือจะเน้นที่หลักสมดุลพอเพียง ไม่ไม่บริโภคเยอะเกินเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถว้วยเราก็จึงเน้นถ้วยใบตองสดในระยะแรกๆนะคะอา่าระยะหลังๆก็มีคนเริ่มประยุกต์ก็คือเอาเครื่องไปใช้กับใบไม้แห้งอะไรพวกเนี้ยคะ่ะหรือทาใบตอง เ, อเก็บไว้สองสวันในทุ่เย็นก็ได้คะ่ะค่ะอาจารย์คะคงประกอบของตัวเครื่องอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าที่อาจารย์ผลิษฐ์ขึ้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็มีฮิตเตอร์ค่ะข้างบนกับข้างล่างตัวบนกับตัวล่าง เป็นตัวให้ความร้อนค่ะค่ะก็ขนาดขนาดรวมประมาณสองพันหนึ่ง้วัตต์ค่ะที่แสดงไว้ในโปรชัวร์เนาะที่เผยแพร่ออกไปอ ะ, ค, ะปค่ะแสดงว่า ท, ที่ที่การใช้ความร้อนของซิเตอร์ที่ติด ก, ก่อไปนี่ มันไม่ไม่ทําให้ใบตองแบบว่าเรียกว่าเขียวนะคะอาจ า, ารมันยังสดได้เหมือนเดิมตรงนี้มีิศางอะไรไหมคะก็เราเซต อ, อุณหภูมิแล้ประมาณ80องศาอ๋อควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิไวค้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้ใบตองไมหมอืมค่ะอันนี้พันพันการทดสอบมาเยอะพอสมควรว่าอุณหภูมินี้ประมาณกำลังดีอืมอืม ก็เป็นคำถามหรือว่าออกอาจารย์ใช้วิธีการแบบทดลองอุณหภูมิไปเรื่อยใช่ไหมคะว่าขนาดเท<ช>่าไรจะทําให้สามารถทําให้ใบตองขึ้นรูปแล้วก็ไม่ไม่สูญเสียเรียกว่าความความสดของสีเขียวไปใช่ค่ะต้องต้องทดสอบค่ะ <c oughs> เพราะว่าวัสดุค <c oughs> รณค่าเนี่ยมันมันต้องเข้าใจเขาอ่ะ <c oughs> แล้วถ้าถ้าหลายคนเอาไปเครื่องนี้ไปใช้กับใบอื่นก็ต้องทดสอบอะค่ะ <c oughs> จะจะ <c oughs> ใช้เวลาเท่ากันก็คงไม่ได้ค่ะ เพราะว่าปริมาณความชื้นหรือว่าตัววัสดุก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการขึ้นรูปจะไม่เหมือนจะถ้ยกระดาษ ที่เขาฟิกน้ำหนักมาตรฐานทุกอย่างไว้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะคงที่หลายคนก็มาถามว่าทาไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่ติดทัมเมอร์หรือไม่ติดฮีเกอร์เออเขาเรียกอะไรนะตัวตัวต ว, วัดเรียนมาเลเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเวลาไปใช้มันหลากหลายอะค่ะต้องต้องใช้เขาเรียกอะไรเหมือนเตอรี่เลยเนาะก็ต้องเก่า <laughs> อะไรเงี้ยมันไม่สามารถบอกว่าเออเสื้อจะต้องรีบภายในกี่กี่นาทีอะไรประมาณนีนน้ค่ะในขั้นตอนของการประดิษฐ์เนี่ยค่ะส่วนไหนยากที่สุดคะ สร้างเครื่องก็ไม่ยากที่ยากที่สุดก็คือคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ผลิตในลักษณะของโรงงานเพราะฉะนั้นที่ส่วนที่ยากก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมันอาจจะมีเขาเรียกอะไร น, นะเออร์เรอร์ค่ะเหมือนใช้คนทําอืมอดิไม่ได้ิไม่ได้ไไดแบบไม่ได้โรงงานเนาะที่จะต้องเท่ากันหมดอะไรอย่างนี้ยค่ะเอ่เอแล้วก็ถ้าเป็นการทํากระทงก็คือว่า ที่ยากที่สุดคือเรื่องใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าใครที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ย15นาทีทำเป็นอ้าวเหรอคะ15นาทีทาเป็นแต่ว่าถ้าถ้าสั่งทางสั่งทางโทรศัพท์หรือดูตามเว็บอย่างเนี่ค่ะเราสั่งซึือเราก็จะตังวนมาเลยคุยเอเขาได้เครื่องมาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันทําไม่ได้คืออาจจะแบบว่ามันอาจจะต่างจากเคร่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าเพราะว่าเหมือนเราเรี่ก็เรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันมันต้องรอเซตตัวแล้วก็ปั๊มลงไปถ้าถ้ า, าวางไม่ดีไปต่อมันจะกระเด้งออกอะไร อ, อประมาณนั้นนะคะาาแล้วค่ะแล้วเครื่องนี้ได้ทดลองแบบใช้จริงแล้วหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่คะตอนนี้โอ้อันนี้ก็จริงๆใช้จริงแล้วนะคะแล้วก็เผยแพร่ไปร้อยกว่าเครื่องแล้วค่ะอ๋อเหรอคะแต่อันนี้ต้องเรียนว่ามันต้องเหนือความขั้นใหม่ของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่า ในความตั้งใจแรกนี่เราต้องการเผยแพร่ออกไปสัก5้าถึงสิเครื่องเพื่อให้อาไปทดลองใช้ก่อนแล้วก็รอฟีดแบ็กมากับมาเพื่อจะพัฒนาเครื่องให้มันดีมากขึ้นนะคะ แต่พอพอปรากว่าเราเผยแพร่ไปเครื่องแรกอะ่ะ<ม>ปรากฏว่ามีน้องเขาเผยแพร่ไปทาง Facebook แล้วก็แล้วก็ยอดชมประมาณล้านกว่าว<笑><笑><ม>ิวก็ก็ตกใจเหมือนกันแล้วเขาก็เลยสั่งจะมาทั่วประเทศก็เนาะเราก็อยากชาอะไรย่างเงี้ยก็เอ้าเราก็ไรกแรกเราก็ชี้แจงทุกรายแหละที่สั่งมาว่าเออมันเป็นช่วงคันทดลองนะคะเป็นต้นแบบนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ขอให้ช่วยฟีดแบก็กลับ เพราะว่าเราอยากให้เป็นเหมือนเป็นเคสหรือว่าให้ให้ประชาชนเขาเข้าถึงเครื่องได้อะ่ะเพราะว่าของเราเป็นคณะวิศวะเนี่ยแล้วมักจะได้รับคอมเมนต์จากประชาชนว่าเวลาที่เราไปถ่ายทอดหรือให้ความรู้เนี่ยเครื่องราคาแพง้นนั้นเลย <c oughs> จะต้องไม่ได้เ <c oughs> นะะี่ยค่ะเราเราอยากจะให้ใช้เครื่องราคาถูกแล้วก็ ใช้แล้วมีปัญหาอะไรไงคะก็ฟีตแบกกลับมาเราจะได้พัฒ น, นาให้ดีมากขึ้นนะคะภายในจุดเด่ น, น, น, นววของเราของเครื่องนี้ก็คือว่าราคาถูกกว่าทั่วไปเพราะเราไม่ได้เน้ น, นกากําไรนะคะเราเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้งานเครื่องค่ะก็ะต้องบอกว่าผลงานของอาจารย์นวัตรกรรมชี้นนี้เครื่องอัดกระท o n ใ บ, บตองเนี่ยได้นําไปใช้แล้วร้อยกว่าเครื่องในการผลิตแล้วก็นําไปใช้จริงจากงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเข้าสู่ห้างเรียบร้อยแล้วฟิตแบกกลับมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ e ี b แบ k ก็เออคือเขาก็จะมีว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของเขาอะไรเงี้ยนะคะที่ที่เราคุยวัตถุประสงค์กันชัดเจนแน่นอนเนี่ยเขาก็จะโอเคตามนั้นแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้คุยกันลึกๆจะสั่งมาบางทีอาจจะมาทางเจ้าหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยคะ่ะหรือว่าคุยกันแบบไวๆอะคะ่ะรีบ ด, ด่วนบางบางที บางกนนี่คือเขาต้องการใช้ด่วนเนี่ยเขาสั่งมาปุ๊บไม่ไม่ไมทันได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีหวามเข้าผิดบ้างว่าอยากจะผลิตแบบเ ย, เยเอะๆอะค่ะไปจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง mm hmm. ซึ่งเราก็เรียนชี้แจงว่าเครื่องของเราเนี่ยถ้าต้องการผลิตจําหน่ายเราให้ได้หลักให้ได้คือกำไรเนาะคุ้มค่าแรงเนี่ยต้องใช้อย่างน้อยสามเครื่อง mm hmm. อืเพราะว่าเพราะว่ากําลังผลิตมันจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยใบต่อวันต่อเครื่องนะคะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ได้คุณก็คือเขาต้องผลิตอย่างน้อยหรอกร้อยใบต่อวันเนื่องจากว่าสามเครื่องเนี่ยสามารถใช้หนึ่งคนผลิตได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้สามคนดังนั้นค่าแรงเขาจะคงที่ออืแล้วในอนาคตอาจารย์คาดว่าจะพัฒนาไหมคะคือปัจจุบันนี้เครื่องอัดกระทงใบตองหัวจารเนี่ยกคือผลิตได้สองร้อยใบถูกต้องไมหมคะอาจารย์ประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอ ต่อหัวค่ะเพราะว่าจริงๆความต้องการของเราส oh. ือเราต้องการทำทํามหัวไปแต่ราคามันไมเ่เขาซื้อไม่ได้ค่ะราคาเนี้ยราคาแรกซื้ อ, อ, อจะเป็นก็จะหัวเครื่องหนึ่งนนแล้วประมาณหน0 0 0บาท ก็มัจะถามละค่ะขออนุญาตถามหน้าบุญกระบะใช่ไหมคะอาจารย์บุญกระบะจับต้องได้ค่ะบุญกระบทจะบต้องได้นะคะไปออทําปำเรียกได้ว่าใช้เป็นคอนจนะใบตองเนี่ยใส่ใส่อาหารโอ้โหจำหน่ายแล้วมันดูคลาสสิกด้วยมีความหอมแล้วมีความแบบมีความมั่นใจในการที่เราจะซื้อตอนนี้ก็ไม่กล้าจริงร้านไหนที่ใช้โฟมก็ต้องขออนุญาตจริงๆว่าไม่ไม่ค่อยมีมีผลจริงค่ะ แต่การตัดสินใจซื้ออาหารบริโภคมากๆค่ะออแล้วก็ขออนุญาตถ่ายไอเดียนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอเครื่องเนี้นออยนอกจากจะส่งเสริมเรื่องการใช้ภาชนะปลอดภัยแล้วอ ะ, ค, ะค่ะคือเห็นว่าใบใบกล้วยหรือใบตองเนี่ยมีอยู่ทัประเทศแล้วแล้วคนที่ขายใบตองเนี่ยมีไม่กี่รายหรอกค่ะที่ขายได้เพราะฉะนั้นถ้านำใบตองมาแปะรูปเนี่ย ค, ะค่ะมันก็จะเปิดรายได้ค่ะแล้วส่วนที่สองก็คือว่า เออเ อ, อ, อันนี้ส่วนที่ 2, สอใช่ไหมคะที่เกิดรายได้ส่วนที่หนคืออาหารปลอดภัยนะคะส่วนที่สามคือเรามองเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะคือก็มานั่งคิดว่าในฐานะที่เป็นทาวิศวกรทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยทำไมการคัดแยกขยะอินซีออกจากขยะทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยเราส่งเสริมกันมาตั้งสามสิบ ได้แล้วมั้งคะก็เลยมาม อ, มองดูเหตุเหตุเกิดว่าเออจริงๆก็น่าเห็นใจผู้บริโภคเขานะว่าเ อ, อจะให้เท อ, อาหารเศษอาหารออกจากถุงพลาสติกหรือถ้วยพลาสติกถ้วยโฟมมันก็ลำบากแล้วคนคนที่ขายหรือคนที่จัดการขยะก็ลำบากทีนี้ถ้าเราผลิตถ้วยเนี้ที่ใส่อาหารเรียบร้อยกินเหลือก็อยู่ในถ้วยนี้ค่ะ แล้วก็ทิ้งเลยอะค่ะไม่ต้องแยกแล้วเอาไปทำปุ๋ยเลยมันจะช่วยจัด ก, การขยะต้นทางได้หมดโจ์อะคะ่ะได้ร0 0เกือบร0 0เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยจะช่วยเรื่องอของการจัดการขยะต้นทางเป็นขยะอินทีนะคะซึ่งแยกออกจากขยะชุมิชนเนี่ยจะทำให้ขยะหายไปครึ่งเลยะคะ่ะ 50% งบประมาณที่จะมาลงกับการกําจัดอะไรพวกเนี้ยคะ่ะจะจะลดลงไปเลยเท่าตัวแล้วก็เอาประมาณส่วนเนี้ไปส่งเสริมอาชีพส่งเสริมสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะสาธารณพยาขั้นพื้นฐานจะดีมากมือไทยก็จะพัฒนาขึ้นนะคะเนี่ยตรงนี้ที่หมอกด้วยเลยอยากจะเบิญชวนเชิญชวนทุก่านนะคะเพื่อการ นะคะก็กเ็มีเคืเ่อออกมามากมายดีมากนะคะก็ก็ยินดี น, นะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่พัฒนารกรรมดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ได้อย่างที่อาจารย์สรุปเมื่อสักครู่ว่าโอมันได้ทั้งในเรื่องของเ อ, อ่อความเรียกว่าความปลอดภัยในการบริโภคอาหารแล้วก็เป็นการดูแลขยะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยทีเดียวอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในใ<ช>ส่วนของการพัฒนาเครื่องนี้อาจารย์ก็บอกว่าได้มีการเผยแพร่ไปละแล้วก็จะมีการพัฒนาแนวทางต่อไป สุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับวัตถุประสงค์หลักๆในการที่อาจารยร์ได้พัฒนาเครื่องอัดกระชงใบตองรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์กับทีมนงานด้วยค่ะอ๋อค่ะ เ, ออเรื่องแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์นะคะของการผลิตเครื่องนี้เนะะี่ยค่ะคือหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้มีชุมชนหรือว่ากเกษตรกรหรือชาวบ้านเนะะี่ยค่ะมีเครื่องมือที่ราคาถูกจับต้องได้ในการผลิตภาชนะจากใบไม้อะวัตถุธรรมชาติเนี่ยใช้เองเพื่อจะไปบรรจุอาหารปลอดภยัย บริโภคแล้วก็ดีกับสุขภาพนะคะอันนี้สองก็คือนําใบไม้ที่แบบเราทิ้งๆแล้วเนี่ยค่ะเราไม่เคยมีรายได้กับตัวนี้เลยเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปน่าเสียดายเอากลับมาให้เป็นรายได้ก็สร้างอาชีพได้ด้วยนะคะส่วนที่สามคือเอช่วยกันในเรื่องของการพอบริโภคเสร็จแล้วะคะ่ะก็คัดแยกเอาไปทําปุ๋ยเลยโดยไม่ต้องไปนั่งหาใบไม้มาใส่อีกแล้วเพราะว่าในนั้นมีทั้งเศษอาหารและใบไม้เรียบร้อยแล้ว จะเติมก็แค่เอจุลินทรียว่าตอนนี้ก็มีการทําน้ําหมักเนี่ยมาเทราก็ก็จบแล้วในการทําปุ๋ยหมักแล้วปุ๋ยหมักนี้ก็กลับมาปุกต้นไม้เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าเรามีการทํำถ้วยไไใบไม้ใช้กันเยอะๆนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ไม้ไม้ยืนต้นอะ่ะเพราะเราต้องใช้ใบใหญ่เนาะไม้ใบใหญ่ <c oughs> แล้วก็หม้พุ่มไม้อะไรนะคะเครื่องกล้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เดี๋ยวจะมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นก้วยกับกล้วยนะคะใช้ลำต้นกล้วยด้วยเพราะฉะนั้นกล้วยเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ใบทันผลแล้วก็มีใบแล้วก็มีต้นกล้วยเอามาใช้เอามาเป็นวัสดุที่ทําภาชนะได้อีกโดยใช้เครื่องนี้ด้วยความคาดหวังของการพัฒนาเครื่องนี้ก็คือก็อยากจะให้อ่าเครื่องนี้ราคามันถูกถูกมากๆอ่ะ แล้วก็ทำกันใช้เองได้หรือใครอยากผลิตขายเขาก็ได้กำไรอะคะ่ะโดยที่ราคาถ้วยก็ไม่ถูกมากเพราะตอนนี้ขายกันก็หลายบาทนะสามบาทห้าบาทนะคะถ้าเราทำกันเยอะวัสดุถูกลงเครื่องมือถูกลงกินไฟน้อยลงก็จะช่วยให้เราได้บริโภคของสดใหม่ที่ ต้นหุนก็ถูกด้วยก็หวังว่าจะขยายวงกว้างไปเรื่อยโดยเฉพาะในส่วนของพวกโรงงานต่างๆหรือว่าโรงอาหารตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนอย่างเงี้ยนะอาารเนาะก็น่าจะได้มีภาชนะแบบนี้ไปใช้จะได้ปลอดภัยด้วย ถามวันนี้ขอบคุมากๆากเจียดกันมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาทําให้เราได้รู้จักนวัตรกรรมดีๆที่พัฒนาโดยนักวิชาการนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเราและสามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้งานได้จริงค่ะไม่ใช่งานวิจัยที่ขึ้นที่อีกต่อไปเป็นงานวิจัยที่ครบวงจรสามารถทําแล้วก็ออกมาใช้ได้ขอบคุณค่ะที่พัฒนางานวิจัยดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์พัฒนาผลงานชิ้น ต, ต่อไปด้วยก็จะขอติดตามผลงานอาจารย์ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่ฟังล้วทั้งสอง คนอยู่แล้วก็อาจจะมีประเด็นไหนที่สงสัยแล้วอาจจะไม่ได้สอบถามก็จะติด<ะ>ต่อที่ไหนได้ยังไงคะอาจารย์คะให้เบอร์โทรหน์เก้าห น, นะะ่งนย์นึ่ะ091 021 9191ค่ะถ้าหากว่าใครจดไม่ทันนะคะก็อินบ็อก Facebook เข้ามาได้สอบถามได้ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรี FM 8 9 5ก็ได้คะ่ะ uh, อาจจะทีเข้ามาในอินบ็อกว่าอุย้ยอยากจะ uh, ติดต่อไปหาอาจารย์นงลักษณ์เล็กกุ้งเรืองกิจนะคะเกี่ยวกับเครื่องอัดกระชงใบตองทางทีมงานก็จะประสานงานให้วันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะกับอาจารย์นงลักษณ์เล็กกุ้งเรืองกิจ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องอัดกระชงใบตองขอบพระคุณค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการอินโนเวชันฟอร์ไลฟ์ก็หมดลงแล้วทิฉันคุณกนิตทองเงาพร้อมด้วยอาจารย์นุรักเล็ปุ้งเรืองกิจก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาสิ้นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี ที่อยู่เบื้องหลังคือความภาคภูมใจเบื้องหน้ายังมีดวงดาวคุ้มเขาลูกต่อไปบนวิธีทาเงเดินดาบไลของทันยาอุรี Sweet FM 8975วิทยุราชมังคลทัญญาุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง w w w b r a d i o r m u t t a c t h ท 02-691-7738-9